ตัเองเก่งแล้วไม่เป็นหวัดพอไปถึงหอยทรายแล้ววัดลุมเลยทีนี้กลับมามันกรนกะ็ลเลยมาทานยาเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วละ่ะแต่เขายังไม่หายนี่แหละวัดผู้สูงอายุนะวัดผู้สูงอายุเนี่หายากเป็นง่ายหายากแต่โดยมาก ผู้สูงอายุเนี่ยตายเพราะหวัดเป็นส่วนมากทําไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะแพ้เร็วเวลาคนมาเยี่ยม อ, อแล้วก็เป็นหวัดพอติดเชื้อเข้าไปแล้วทีนี้สเลดไม่ออกไงขาดสเลดไม่ออกเพราะป่วยสเลดติดคอพอสเลดติดคอแล้วกันใช้เครื่องแจ้งเข้าไปในคออีก ไม่รู้ติดอะไรตัวติดอะไรล่ะท่นนี่โหดที่สุดกอดอะเออเสลดพันคอแล้วก็โดยมากหลวงพ่อเห็นเห็นมาที่ครูบาอาจารย์เรื่องพูดที่ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุะนี่แหลเะเอเสลดพันคอติดคอหายใจไม่ออกก็ใช่ละสีท่นี้หายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกก็ใช่และ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 อย่าไปเอ า, เอาสีละของท่านเอาไปขายจ่ายกินอันนี้ก็คือจุดประสงค์ขององค์หลวงปู่ยามเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนะแต่หลวงพ่อทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เข้าไปครอบงมครอบครองแต่ผู้เดียว เ, เพียงแต่ว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องโดดออกไปปกป้องคุ้มครองเพราะในฐานะญาติฐ า, านะญาติผู้ใหญ่แต่ถ้าไม่มีอะไร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 ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยงพ่อได้พูดในวันนั้นนะและก็พร้อมกันงานของหลวงปู่ก็ขะเป่งเกี่ยวเข้ามาเรื่อยๆพอเดือนธันวาม ก, กราเนี่ยหน่อยเดียวเดือนวันที่หม ก, กราห้าเจ็ดเวลา1 7 0เจดศนศนที่บ้านห้วยทรายวัดป่าวิเวกพัฒนาราบ้านห้วยทรายจังหวัดมุกดาหาร เวลา17เจ็ดห้าโมงเย็น่นนะเป็นวันเสร็จสิน้นเพราะนั้นในขณะที่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกวกวเนี่ยใครก็ถามมาหลวงพ่อจะอยู่วัดไหมช่วงเดือนธันวาช่วงเดือนพฤศจิกาหลวงพ่อบอกว่าตอบไม่ได้มีแต่พระประธานพระพุทธอุดมมงคลของหลวงพ่อท่านันะตั้งแต่เอามาปฏิจทานแล้วท่านไม่ขยับไปไหน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 เขานิมนก็เถอะแต่บวกลบคูณหารดูแล้วที่ว่านิมนคูบายจานไปตั้งหลายองค์หลวงพ่อองค์อนึงในานามหลายองค์นั้นหลวงพ่อกับวามบวกลบคูณหารไม่จำเป็นเท่าไหร่ให้องค์อื่นไปซะสำหรับหลวงพ่อจะไปธุระนี่จันตัวนี้จำเป็นสำคัญกว่าเราต้องมองความสำคัญหนึ่งสองสามสี่แต่ไม่ใช่งานสำคัญไม่ใช่รวยนะหลวงพ่อไม่ได้คิดเรื่องรวย เรื่องน้ำใจสำคัญกว่าชุมชนที่มากกว่าแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ผลมากกว่าได้ผลมากกว่าคืออะไรบางครั้งครอบครัวในมณฑลสามสี่คนเกิดชดทธาอยากจะให้ไปไม่มีอะไรไมิถะไปเห็นหน้าเฉยๆไปในมวฑลแล้วก็ฉันฉันฉันันนันเช้าพูดไว้กี่คนแต่ชุมชนกลุ่มหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันจะมาตักบาตรใส่บาตร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 ้าไม่มีความจำเป็นเดจะใช้มันทำไมเราเป็นพระกรรมฐานพระอยู่ในป่าอยู่แบบป่าอยู่แบบรกรรมกฐานแต่ว่าชุมชนและสังคมที่มาเกี่ยวข้องนั้นเราต้องดูต้องมองเพราะเหตุไรเพราะว่าชุมชนกับสังคมกับพระวัดวาศาสนาเนี่ยมันแยกกันออกญากิถ้าเราอยู่ในชุมชนเราก็ต้องดูแลชุมชน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 ว่าผมจะขอใช้อีกประมาณชักล้านกว่าแต่ปัจจัยเงินนั้นยังเหลืออีกล้านกว่าส่วนเงินล้านกว่านั้นหลวงพ่อจะทำเป็นมูลนิธิจ่เอาเข้ามูลนิธิก็สุนแท้แต่หลวงพ่อเราก็เออหลวงพ่อก็คิดอยากจะทำมูลนิธินั่นะเพื่อดูแลพระสงฆ์แต่ถ้าว่าพวกเรามีความจําเป็นจะได้ใช้ก็เอ า, เอ า, เอาไปปรึกษากับคนนั้นคนนี้ดูนะ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 ถ้าพวกถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้พวกเราฟังพวกเราก็คงจะสงสัยพระสงฆ์อยู่ในป่าดวงพงไพ่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่รู้จักมักคุนอย่างนี้อท่านทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรเอถ้าวามาถามซักไซแลเลียงดูหลวงพ่อจะพูดให้ฟังวันนี้คงไม่ได้ฉันอาหารวันไเลยทั้งวันเออมลูกเรื่องอะไรตัวมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือวัดว า, าศาสนา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 เมืองฝรั่งเนี่ยโอ้หมอจิตแพทย์เนี่อเข้าไปนั่งบนอะไรให้เขาฟังเลยคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงออกมาประสาทก็ยิ่งเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะไปบ่นให้เขาฟังเสร็จแล้วเขาคิดเงินนแต่นี้มาบ่นให้พระฟังมาก็มาบ่นให้พระฟังเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่า ง, งานู้นเป็อย่า ง, งานั้นผลในสุดพระก็บอกเออทำใจ เ, ออเกิดมาในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าจะมาเกิดในโลกเนี่ ถ้ามันเกิดมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกข์มียากมีพัดผักลุ่มหลงอย่างนี้แหละ เ, เราจะให้ย่ายได้อย่างใจตัวเองได้อย่างไรหลายคน่ะคนนั้นก็เอาใจตัวเองคนนี้กขเอาใจตัวเองเราก็เอาใจตน เ, เ, เอเงเอแต่คนนั้นคนนั้นมาต้มตุน๋นเออเอ า, เอาต้มตุ๋นเพราะเราเพราะมีความอยากไม่ใช่เหรอเขาจึงต้มดุนเราได้เพราะเรามีความโลภเพราะคนที่มีความโลภเขาก็ต้มตุ๋นได้นะ เราจะไปโลภมากซีต้องเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจถ้าเราไม่โลภมากมันครก็ต้มตุนยากนะถ้าว่าคนที่เราอยากอยู่แล้วน่ะเขาก็ให้ต้มอะไรเราก็ได้ทั้งหมดนะ่ะพอเราอยากพอเราโลภพอเราโลภท่านน่ะเขาก็ต้มหลอกลวงเราได้เพราะนั้นเราต้องดูเราเนี่ยพระสงฆ์ท่านจะสอนอย่างนั้นนะให้รู้จกักศีลให้รู้จักธทมให้รู้จักสิ่งควรไม่ควร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 เราไปทํากับคนอื่นเขาแล้วเขาจะชอบไหมเขาก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันะเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละคือจริยธรรมใจเขาใจเราใจเราใจเขาใจเขาใจเราถ้าเรานึกดูใจเขามันใส่ใจเรานึกดูใจเราไปใส่ใจเขามันเหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันมีแต่ความโง่ความฉลาดอันนั้นกรสุดแท้แต่มีสติปัญญาท่านเสมอกันทั้งหมดก็คงจะไม่มีพระหัน์ะ